592-1991 วิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรีเอฟเอแเมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเฮลดีกลับกลับของคนรักสุขภาพโดยทีราวดียิ่งมีและณ น, นรีสุขดีทุกวันอาทิตย์4นาริกาถึง5นาริกาที่วิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรี f อ 89.5 MHz ปส้าเม สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่คลับคับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพค่ะที่มีเคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับเฮลท็อกสุขภาพมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรายการเรามีทั้งหมด3ามช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นในเรื่องของขา่าวสารกิจกรรมสุขภาพค่ะช่วงที่2จะเป็นทริปสุขภาพดีๆนะคะและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเฮลท็อกนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งดําเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนรลีสุขดีค่ะ ค่ะก็เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนว่าเรามีในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพนะคะดิฉันก็มีของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขาทำฟันฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะสมเด็จพระศรีนครินทราบร ม, มาราชชนนีค่ะแล้ววันคล้ายกับวันสาธรารณสุขแห่งชาตินะคะเขาขอเชิญ เข้ารับบริการทางธันตกรรมฟรีค่ะหนึ่งคนหนึ่งการรักษานะคะก็สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็ 1,500 ลารยายนะคะเขาเริ่มแจกบัตรคิวเวลา6นากานาทีที่ชั้นหนึ่งจนกว่าบัตรคิวจะหมดนะคะเด็ก200รายค่ะ ที่พญาไทนะคะต้องบอกก่อนอเขาจัดเฉพาะวันเดียวคือวันที่21แต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นที่พญาไทก็คือผู้ใหญ่ 1,500 ารยายนะคะแจกบัตรตอน6โมงครึ่งนะคะแล้วก็เด็ก2 0 0รายเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่7โมงนะคะจนกว่าบัตรจะหมดนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็มีตั้งแต่8โมงถึงบ3นะคะก็ฟันฟรีเลยทําฟันฟรีนะคะส่วนที่สารยาค่ะสารยาเนี่ย เขาก็ผู้ใหญ่350รายนะคะเริ่มจากบัตรคิวตั้งแต่6มง45จนกว่าบัตรจะหมดนะคะเด็ก50รายค่ะก็เริ่มจากบัตรตั้งแต่6มง45จนกว่าบัตรจะหมดเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของการทําฟันเนี่ยนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้ค่ะที่เบอร์02 200 7727ค่ะ02 200 7727นะคะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ไมหิโดนเขาทำกันทุกปีนะคะพี่แมวเขาจะทำฟันฟรีเปิดทุกปีเลยเหมือนกันนะค ะ, คะเอาล่ะค่ะมาถึงคองเนเสิร์ตบ้านนะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ทางโรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะขอเชิญผู้สนใจค่ะเข้ารับฟังการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องทาอย่างไรเมื่อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจค่ะโดยคุณหมออภิชัยโพคาวัฒนานะคะซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมโรคหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้จะมีในวันนี้ละค่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่ยี่กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา9นาิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานบริเวณลาน ชั้น 2A ของโรงพยาบาลนะคะใครที่อยากที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าต้องทำอย่างไรเมื่อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจนะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬกาบริเวณลานชั้น 2A ของโรงพยาบาลสุขุมวิทค่ะค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นเรื่องของเคล็ดไม่รับฟิตร่างกายแบบไหนเพื่อให้ปั่นจักรยานได้ดีขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วเป็นในด้วยของการแข่งขันจักรยานา น, านานาชาตินะคะบางกอกแบงค์ไซเคิลเฟส2019นะคะที่จะจัดเพื่อเป็นสิงสันของจักรยานในประเทศไทยนะคะกิจกรรมนี้เขาจะจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23-24 พฤศจิกายนนู่นเลยนะคะที่สนามกอล์ฟ สยามคันที่ขลับพัทยานะคะก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ล่วงหน้าไกลๆแต่ก็เปิดรับสมัครหรือว่าถ้าคนที่ชอบปั่นจักรยานสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ www ว็บ b a n k c y c l งค c ไซเคิลเ com นะคะก็คือสามารถไปดูรายละเอียดนี้ได้สำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานพี่แมวเขาก็จะมีทริปล่วงหน้าเลยนะคะไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้นะคะแล้วก็มีแกง๊งมีพวก ปัญจักยานเนี่ยมันก็ช่วยให้สร้างความสมามัคคีได้เหมือนกันนะคะค่ะอืมก็เอามาฝากกันค่ะเป็นข่าวสารและกิจกรรมในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเรากลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการกันค่ะค่ะ h e a l ที่กลับกลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653ในคืนนี้มีดา เป็นล้านดวงแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียวสอดประสานศบตาคิยงข้างกันอยาจะขอจู ด, ดาวไปเงาดวงจันทร์อยู่ในบอกเธอที่มาสบลงออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไป บันคงสดใสรักอยู่ไม่ไกลจากเธอเร้องบอกหัวใจฉันมีเธอหากคืนนี้มีเราเพียงสองคนอยากจะขออยู่จน แสงดาวจางไปเก็บความรู้สึกดีที่ยิ่งใหญ่ไม่มีแสงแห่งใดสวยดังใจเธออยู่ในบอกเธอที่มาสบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝันคงสดใส รักอยู่ไม่ไกลจากเธอรองบอกหัวใจฉันมีเธ อ, เ, อเปรียบทานั้นดังมูดาสวยเกินกว่ารักที่มี ตูวฉันให้เธอไว้ชั่วนิรัน ฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียวสอดประสานสอตาเคียงข้างกันอยาจะขอจุดดาวตปเงาดวงจันทร์อยู่ในบอกเธอที่มาสบลงอาอุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝัน คงสดใสรับอยู่ไม่ไกลจากเธอร้องบอกหัวใจฉันมีเธอร้องจากหัวใจ ช่วง h e a l Trip สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์ผันไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการอง ค, ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเฮลตี้คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Health Tri ปค่ะหลากรายทิปในเรื่องของสุขภาพนะคะจะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้พี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะจะเอาเรื่องใกล้ๆตัวมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะเป็นการสังเกตตัวเองอย่างง่ายๆนี่แหละค่ะว่าเออเราเนี้ยเข้าขั้นของโรคสมองเสื่อมอยู่หรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ฉันอายุยังน้อยไม่เป็นแน่ๆ แ, แต่ว่าบางทีบางโรคบางอย่างเนี้ยเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยดิฉันก็เลยมี เจ็ดข้อสังเกตรโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อยนะคะทั้งคลินิกความจำของคณะแพทยศาสต ร, โร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ ก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาระบุออกมาเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าภาวะสมองเสื่อมในคนอายุน้อยเนี่ยเริ่มพบในปริมาณที่มากขึ้นถึงร้อยละหกจของจํานวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งหมดคุณผู้ฟัง 6.9 ถือว่าเยอะนะค ะ, คะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในวัยทํางานอย่างเราเราท่านๆน่านนแหละค่ะเมื่อเกิดอาการเนี่ยจึงมีจึงมักจะอนุมานว่าอาจจะเป็นผลมาจากความเครียดภาวะซึมเศร้าจากการทํางานหรือว่าล้เลยแล้วก็จะเกิดความล้เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรนะ นะะจนกลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอย่างไม่รู้ตัวทีนี้เรามาดูกันค่ะคุณผู้ฟังว่าสาเหตุของโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อยเนี่ยที่ควรจะเฝ้าระวังในมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยลคุณฟังลองลอง ค่อยๆนึก oh ไปพร้อมๆกับดิฉันเลยแล้วกันนะคะว่าเอ๊ฉันอยู่ในข่าย 1-7 นี่หรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือมีคนในครอบครัวเนะีมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมตอนอายุยังน้อยอยู่หรือเปล่าก็อาจจะต้องดูย้อนหลังไปนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เห็นอาจจะเป็นอ่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเป็นหรือเปล่านะคะอาจจะต้องดูย้อนประวัติกลับไปนะคะว่ามีภาวะสมองเสื่อมตอนอายุยังน้อยอยู่หรือเปล่าหรือมีภาวะเส้นเลือดสมองตีบอาจอัน อาจจะเกิดมาจา ก, กจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงซึ่งทําให้เส้นเลือดฝอยในสมองตีบแล้วก็เซลล์สมองตายได้อันนี้ก็ต้องดูย้อนกลับไปเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าในครอบครัวของเรานี่มีโรคเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือมีความผิดปกติของฮอร์โมนค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยที่มีระดับต่ำกว่าปกติ หรือภาวะร่างกายขาดวิตามิน B12 เป็นระยะเวลานานๆซึ่งก็จะส่งผลให้เซลล์สมองเนี่ยเสื่อมเสื่อมได้ง่ายนะคะ หรือผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาําซึ่งบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อภาวะเส้นเลือนในสมองตีบแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นเป็นระยะเวลานา น, านานนะคะหรือดื่มในปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ทําลายสมองส่วนต่างๆได้ค่ะหรือมีการติดเชื้อในสมองนะคะอาจจะมีการติดเชื้อในสมองจากโรคเรื้อรงังอย่างเช่นซิฟิลิสไวรัสอื่นๆหรือว่า HIV ก็แล้วแต่ อย่างสุดท้ายเลยค่ะที่เราต้องสังเกตนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราสังเกตว่าเรามีการปวดหัวไหมมีการมึนงงไหมนะคะทั้งเกิดมีอาการเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะใครที่ได้รับแรงกระแทกจากจากหัวสมองของเราเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ย ก็อาจจะต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะทีนี้ภาวะโรคสมองเสื่อมเนี้ยอาจจะไม่มีเพียงอาการแค่ว่าเอ๊ะลงๆ ล, ลืมๆหรือเปล่านะค ะ, คะแต่ส่วนใหญ่เนี้ยอาจจะพบในผู้ป่วยที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะฉันเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่หรือเปล่านะคะบางทีนี้ต้องให้คนรอบข้างเป็นคนช่วยสังเกตและเป็นคนบอกนะคะทีนี้ใครที่มีความเสี่ยงสำหรับสายเห้ข้างต้นเนี้ยหรือว่าไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองเนี้ยกาลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมอยู่หรือเปล่า ควรที่จะไปพบคุณหมอพบเพื่ออะไรคะเพราะว่าคุณหมอนี่แหละค่ะเขาจะมีแบบทดสอบและแบบทดสอบนี่แหละสามารถวินิจฉัยได้ค่ะว่าเราเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมในอายุยังน้อยอยู่หรือเปล่าคือบางคนเนี่ยอายุเพิ่งจะ20่สิต้นๆเพิ่งจะทํางานปี2ปีแรกแต่เอมีความรู้สึกว่าได้หน้าลืมหลังที่เราเรียกว่าโก๊โก้กลางๆอ่ะนอนน้อยหรือเปล่าคะพี่น้ลืมหรือเกิดอาการเบลออย่างที่บางทีบอกบางคนก็จะโทษว่านอนน้อยทํางานดึกนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงทําให้เราเกิด อาการโรคสมองเสื่อมได้เพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกคืออาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะ อ, อาจจะมีคนในครอบครัวได้มีประวัติโรคสมองเสื่อมหรือว่ามีโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยซึ่งภาวะเหล่านี้ก็ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้ในอายุน้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตนอกจากเราจะสังเกตตัวเราเองนะบางทีเราก็ต้องให้คนรอบข้างช่วยสังเกตด้วย <S <S <ๆ>วเอสังเกตเราด้วยเราเข้าขายอยู่หรือเปล่า<ม>ถ้าเกิดว่า ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทาไมเรามีความรู้สึกเราได้หน้าแล้วเ ร, เราลืมหลังแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมฉันจําอะไรไม่ค่อยได้<ม>ไปพบคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอในเขาก็จะมีแบบทดสอบแล้วก็จะวินิจฉัยออกมาว่าเราเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่หรือเปล่าซึ่งโรคนี้เนี่ยอายุน้นอยตอนนี้ก็เริ่ ม, มเป็นกันแล้วค่ ะ, คะอ่ะมาถึงทริปของดิฉันบ้างเมื่อกี้นะคะในเรื่องของโรคสมองเสื่อมของดิฉันก็มาสร้างสุขเลยนะคะเป็นวิธีการสร้างสุขสร้างสุขแบบที่ไม่ผูกติดกับเงินพี่แมวน่าสนใจไหมค่ะอืมเพราะว่า ในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราจะมีความสุขบางคนก็คิดว่าเราจะต้องมีเงินเท่านั้นหรือว่านี่สินพี่แมวถ้าเป็นหนี้สินก็ทำให้เราทุกข์หาเงินเพื่อเป็นหนี้ใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ บางทีเป็นนี้เราก็เครียดส่งผลให้ความสุขในชีวิตลดน้อยลงหรือว่าขาดหายไปค่ะจริงๆแล้วความสุขของคนเราไม่ใช่เรื่องเงินอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศแต่ความสุขที่จิตใจต้องต้องจับต้องนะคะถึงจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็คือความสุขที่จิตใจนะคะวิธีการที่ทําให้เรามีความสุขแบบเป็นอิสระและทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างเต็มที่ตามศักยภาพขณะที่ยังมีนี่สินอยู่ไม่ใช่ว่ามีมนี้สินนะคะก็ ค, คือรอให้ไม่มีนี้สินถึงจะมีความสุขเรามีภาร ะ, ะนี้สินนี่ยละคะ่ะ แต่ว่าเราก็ต้องมีความสุขให้ได้นะคะเรามีเคล็ดลับค่ะอย่างแรกเลยวิธีแรกก็คือดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะเนื่องจากร่างกายและจิตใจเน่ยเป็นส่วนสัมพันธ์กันหากร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะเจ็มใส่ไปด้วยโดยการออกกําลังกายให้สม่ําเสมออย่างน้อยก็สัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ 30-60 นาทีนะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะข้อที่2พยายาม ปรับความคิดและความเชื่อของเราค่ะคือบางทีมันเป็นตัวกําหนดความสุขนะคะว่ามีเงินน้อยไม่ได้หมายความว่าความสุขเราจะน้อยไปด้วยเราต้องเชื่อว่าเงินกับความสุขไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะตรงไปตรงมาค่ะคือที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้ามีเงินเราก็จะมีความสุขแต่ระยะเวลาหลังๆมานี่เริ่มค้นพบนะคะความจริงขึ้ น, นเรื่อยๆว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหนก็ตามความสุขของเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเสมอไปเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าทํางานหาเงินมาเยอะๆพี่แมวแต่ว่า ร, ร่างกายกระสอบ ก, กระแสะเจ็บไข้น ป่วมันก็ไม่ได้ว่ามีความสุขเสมอไปนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเราต้องจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันค่ะโดยวิธีการจัดทํากิจกรรมง่ายๆที่ไม่มีความสุขอย่างเช่นเดินออกกำลังกายปั่นจั ก, กรยานการเล่นกับลูกๆคุยกับคนที่เรารักหรือว่าอ่านหนังสือดีๆก็จะช่วยผ่อนคลายได้ดีขึ้นนะคะอีกหนึ่งวิธีค่ะต้องใช้วิธีการปรับใจปรับยังไงดีปรับตัวเขาก็ก็เคยได้ยินมาแล้วนะคะ ปรับใจเนี่ยก็คือต้องทำใจให้รู้สึกว่าการเป็นหนี้สินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม เป็นเรื่องที่ท้าทายพี่แมวการเป็นนี้สินเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่าได้กลัวความลาบากนะคะขณะเดียวกันก็ให้มองความยากลำบากให้เป็นความท้าทายและมีคุณค่าต่อชีวิตเพื่อให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายนะคะก็คือการปลดหนี้ในที่สุดให้สถานะครอบครัวในอนาคตมีความมั่นคงการสร้างความสุขให้ชีวิตได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดนะคะว่าความสุขต้องเกี่ยวข้องกับความสบายหรือเชื่อว่าชีวิตต้องสบายถึงจะมีความสุขซึ่งผลการศึกษาเรื่องความสุขของมนุษย์เราพบว่าความสุขที่เกิดจากการลงมือ ทำเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านะคะคือการได้ลงมือทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนั่นแหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงข้อสุดท้ายค่ะต้องดูแลความสุขในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีทั้งความมั่นคงความรักการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เขามีผลงานวิจัยทั่วโรคเลยเขายืนยันตรงกันเลยค่ะว่าแหล่งความสุขที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวอืครอบครัวของเรานี่แหละซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีหลายคนคิดกับกันไปเริ่มต้นหาเงินก่อน นะคะแล้วก็เกิดผลกระทบต่อครอบครัวตามมาทำให้แหล่งของความสุขเนี่ยขาดหายไปพี่แมวเพราะฉะนั้นนีฉันก็มี5วิธีในการสร้างความสุขโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับเงินนะคะก็คือดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงพยายามปรับที่ความคิดความเชื่อของเรานะคะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในทุกวันปรับใจค่ะคุณผู้ฟัง แล้วก็ต้องดูแลความสุขในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคงมีความรักอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิธีสร้างสุขแบบง่ายๆที่ทุกคนก็ทําได้โดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเงินเลยพี่แมวใช่ค่ะคือบางทีเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาเสืออะไรใดๆทั้งสิ้นเงินสักบาทก็ไม่เสียมันก็เกิดจากการที่เราสร้างความสุขให้ตัวเองอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขอย่างเช่นการไปออกกาลังกายการได้ร้องเพลงหรือว่าการได้ทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบนะคะการได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่อาจจะต้องแบบไม่ต้้องงใชเเินยะ มายก็ทําให้ร่างทำให้ตัวเราได้มีความสุขได้เขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทําถ้าคุณผู้ฟังคาดหวังหรืออยากทําอะไรสักอย่างทําแล้วพราะมันประสบความสําเร็จนั่นแหละค่ะความสุขที่แท้จริงเราจะรู้สึกสุขอย่างประหลาดนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาเคล็ดลับดีๆที่ดิฉันเอามาฝากคุณผู้ฟังหรือพี่แมวเอามาพูดให้ฟังมาพูดให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่3าของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับ กลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยลาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยลาลัยการแทพทย์แผนไทยมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมพ์เสนน้ำ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 ที่ยังแสนไกลเฝ้ารอใครคนนั้นมาเติมหัวใจที่งเงียบเหงา เทลท็อกสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการเทลที่คลับค ล, ลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเทล Talk ค่ะก็ยังอยู่กับดิฉันที่เรวดีและพี่แมวคุณนัทนรีนะคะเทลท alk ในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะพี่แมวบางคนเสียชีวิตด้วย อาการที่เราสองคนจะบอกมาแล้วในวันนี้ก็คือในเรื่องของการแพ้ยาพี่แมวค่ะการแพ้ยาถือว่าสําคัญนะคะเพราะว่าบางทีเราเจ็บป่วยเราก็ซื้อยามาทานเองบางตัวคุณหมอก็จ่ายแต่ว่าจ่ายยาให้เภสัชกรเนี่ยแหะค่ะเป็นคนจ่ายแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราแพ้ยาตัวไหนไงพี่แมวค่ะพอทานเข้าไปก็มีอาการนะคะวันนี้เราเลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยานะคะบางทีอาจจะ ถ้าเรามีอาการผื่นลมพิษหรือหายใจลาบากหลังจากรับประทานยา น, นั้นก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วนะคะที่บอกว่าคุณอาจจะแพ้ยาค่ะซึ่งเกิดจากระบบคุมคุมกันในร่างกายมีความไวต่อยา น, นะคะหรือมีส่วนประกอบของยาชนิดนั้นโดยที่ร่างกายมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม นะคะเรานี้เขาก็สร้างสารเคมีมาต่อต้านยานะคะหรือส่วนประกอบของอยาทำให้เกิดอาการแพ้ยาใครที่มีอาการแพ้ยาอาจจะมีอาการแพ้เกิดขึ้นไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาเม็ดยาน้ำยาฉีดยาพ่นนะคะก็จะสามารถแพ้ได้แล้วก็อาการแพ้ก็เกิดได้กับทุกส่วนของร่างกายนะคะสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ยาที่พบบ่อยนะคะก็พวกยาปฏิชีวะนะยากันชัก เคมีบําบัดแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยนะคะการวินิจฉัยการแพ้ยาเนี่ยเขาจะมีทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนะคะทดสอบโดยการทดลองใช้ยาที่สงสัยว่ามีอาการแพ้นะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่มากระตุน้นรับประทานยากแก้แพ้เพื่อควบคุมอาการบางอย่างนะคะหรือไม่ก็ไปพบแพทย์ทันทีที่มีอาการแย่ลงค่ะอาการของการแพ้ยาเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางทีถ้าเราอาจจะไม่มีอาการแพ้ยามาตั้งแต่แรก เมื่อได้รับยานั้นเพราะร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิต้านทานต่ อ, อยานั้นค่ะเมื่อร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่ อ, อยานั้นแล้วเมื่อได้รับยานในครั้งถัดไปเนี่ยระบบคลุ่มๆกันของร่างกายก็จะมองว่ายานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะก็จะหลั่งสารเคมีออกมาต้านยานั้นทำให้เกิดอาการแพ้ยานะคะอาการของการแพ้ยาก็ได้แก่คันหรือลมพิษอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะหายใจหายใจมีเสียงวิทวินะคะบวมอาเจียนมึนศีรษะถ้าแพ้อย่างรุนแรง หลายระบบในร่างกายนะคะปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงก็เกี่ยวกับระบบการหายใจนะคะบางทีก็มีภาวะช็อกนะคะยาเพนิซิลินยาตัวนี้เป็นยาที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ยาที่พบบ่อยที่สุดถ้าแพ้ยาตัวนี้นะคะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสสูงที่จะแพ้ยาอื่นๆที่มีโครงสร้างคล้ายๆเพนิซิลินนะคะอย่างเช่นยาอม็อกซิลินนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแพ้ยาอื่นที่มีโครงสร้างคล้ายกันเสมอไปค่ะหากคุณมีอาการแพ้ยาเพนิซิลินเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งถัดไปคุณจะต้องมีอาการยาแพ้ยาเหมือนกับครั้งนี้นะคะในเรื่องของยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อเขาก็จะมีโครงสร้างของหมู่อัลฟานะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ้ยาได้จริงๆแล้วผ่านกระบวนการแพ้ยาเช่นเดียวกับยาอื่นๆนี่แหละคะ่ะส่วนยาอื่นๆที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชือ้อแม้ว่าจะเป็นหมู่อัลฟาเนี่ยแต่ก็มีความเสี่ยงต่ําต่อการแพ้นะคะ นั่นก็คือจะเป็นอาการของอาการแพ้ยาใช่ไหมคะเทนี้เรามาดูในเรื่องของการวินิจฉัยดูบ้างนะคะว่าการวินิจฉัยแพ้ยาเนี่ยอาจทําได้ยากค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ามีการแพ้ยามาจากยาในกลุ่มพิษสตรอย่างที่น้องทีบอกเนี่ยก็จะเป็นยาเดียวที่สามารถทําการทดสอบการแพ้ได้อย่างแม่นยาําด้วยการทดสอบทางผิวหนงังอาการแพ้ยาบางอย่างนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นพื้นหรือเป็นลมพิษอาการหอบหืดเนี่ยสามารถที่จะมีอาการคล้ายๆ ก, กับโรคอื่นได้คุณหมอทางด้านภูมิแพ้เนี่ยจะมีการถามถึง ถามนะคะว่าให้คุณเนี่ยตอบคาถามต่อไปนี้เพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าคุณเนี่ยแพ้ยาหรือเปล่าอย่างเช่นยาอะไรที่คุณสงสัยว่าทําให้มีอาการแพ้หรือคุณเริ่มต้นใช้ยาเมื่อไหร่แล้วก็หยุดหยุดใช้ยาตัว น, นั้นนะเมื่อไหร่ใช้ยาไปแล้วนานแค่ไหนถึงจะเริ่มมีอาการแล้วก็มีอาการอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าอาการที่เป็นอยู่ในเป็นอยู่นานมากน้อยแค่ไหน <c oughs> แล้วทําอย่างไรเนี่ยอาการเหล่านั้นถึงดีขึ้นหรือว่ามียาอื่นๆที่รับประทานร่วมด้วยแล้วเนี่ยดีหรือไม่นะคะ <c oughs> หรือว่าคุณรับประ อาหารประเภทสมุนไพรเป็นอาหารเสริมหรือวิตามินเสริมอื่นๆอยู่หรือเปล่าถ้าใช้ในมีอะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะขึ้นอยู่กับคุณฟาต้องต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอถามเกี่ยวกับเรื่องของขความแพ้ยานเนี่ยคุณมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคุณได้รับประทานยาเหล่านี้หรือว่าคุณได้ มีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะคะทีนี้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้เนี่ยยังต้องการรู้ด้วยค่ะว่าคุณมีอาการแพ้ยาอื่นๆด้วยอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องนํายาที่คุณผู้ฟังสงสัยเนี่ยไปให้คุณหมอดูด้วยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะได้แนะนํายาอื่นที่ปลอดภัยสําหรับคุณมากกว่าแล้วก็ในระหว่างการตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอก็จะพิจารณานถึงปัญหาอื่นๆที่อาจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทําให้เกิดอาการแพ้ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่จากการแพ้เนี่ยอาจจะมีการวินินจฉัยอากากรแพ้ ยาขึ้นอยู่กับยาที่สงสัยคือยาชนิดใดคุณหมออาจจะให้คุณทําการทดสอบแพ้ยาการแพยาที่ผิวหนังหรือว่าในบางกรณีนี้อาจให้คุณตรวจเลือดร่วมด้วยซึ่งการตรวจเลือดนี่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยทางการแพ้ยาที่เกิดขึ้นช้าแต่ว่ามีอาการรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อคุณหมอเนี่ยมีความกังวลว่าอาการแพ้ยาเนี่ยมีผลต่อมีผลเนี่ยจะไปทําลายต่อหลายๆอวัยวะในร่างกายหรือเปล่านะคะซึ่งอาจจะถ้าเกิดว่า อาการแพ้ยารุนแรงนี่มีโอกาสน้อยแต่ว่าบางทีนี่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้หากว่าอวัยวะภายในต่างๆของร่างกายนั้นหยุดทำงานลงจากการแพ้ย า, ยาคือบางคนเนี่ย อาจจะเกิดอาการแพ้ยาทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่ทํางานละนะคะหรือถ้าสงสัยว่ามีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นคุณหมออาจจะแนะนําให้คุณทําการทดสอบโดยกันให้ทดลองรับประทานยาที่สงสัยว่าแพ้โดยจะต้องทําการภายใต้การควบคุมของคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยให้คุณรับประทานยาที่สงสัยว่าแพ้นี่แหละแล้วก็ให้สังเกตอาการที่เกิดขึ้น ว่าแพ้ตัวยา น, นี้จริงหรือเปล่านะคะหากมีการ ถ, าถ้าเกิดว่ามีอาการเกิดขึ้นก็คือแพ้จริงๆจริงน่จรักใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พบก็ถือว่า ไม่ได้เกิดจากตัวนี้นั่นเองค่ะค่ะในเรื่องของการรักษานะคะกับการแพ้ยาเนี่ยถ้ามีอาการแพ้ยาเนี่ยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งนะคะว่ามีอาการแพ้ยานะค ะ, คะแล้วก็อาการแพร้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะเมื่อมีอาการแพ้ยาก็ต้องสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรว่ายาคล้ายๆกันเนี่ยที่ต้องหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างคะ่ะสอบถามแพทย์หรือว่าเภสัชกรในการ เลือกยาหรือว่าแทนยาประเภทที่คุณแพ้เนี่ยว่ามียาอะไรทานได้บ้างคะ่ะพกบัตรประจำตัวผู้แพ้ยาเสมอเพราะในบัตรจะระบุยาที่แพ้นะคะหากต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชกรก็ต้องยื่นบัตรนี้ด้วยอาการแพ้ยารุนแรงที่มีอาการไหล ร, ระบบในร่างกายนะคะถือว่ารุนแรงเนี่ยเป็นอาการแพ้ยาซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต นะคะก็มีอาการตั้งแต่2ระบบอวัยวะขึ้นไปเช่นมีอาการบวมร่วมกับการหายใจลำบากหรือว่าอาเจียนมีผื่นลมผิดร่วมด้วยนะคะซึ่งถ้ามีอาการนี้ก็โทรเรียกที่เบอร์นะคะ1669เรียกโรงพยาบาลเรียกรถฉุกเฉินนะคะเพื่อไปพบแพทย์โดยด่วนแต่ถ้าเป็นอาการแพ้ยาแบบรุนแรงเนี่ยก็ต้องให้แจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉินด้วยว่า ยาอะไรที่ผู้ป่วยคนนี้ใช้ใช้เมื่อไรรวมถึงขนาดยาที่ใช้หาอาการแพ้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อาการที่รุแนแรงถึงเสียชีวิตแพทย์ด้านภูมิแพ้อาจจะสั่งยาให้คุณนะคะก็อาจจะให้ทานยาแก้แพ้นะคะหรือว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะเช่นยาไอบูเฟนหรือว่แอดพายรินเป็นต้นนะคะกระบวนการหลีกเลี่ยงหรือลดปฏิกิริยาการแพ้ไม่มียาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมให้ใช้แทนได้หากมีอาการแพ้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะคะแต่ต้องทํากระบวนการหลีกเลี่ยงหรือ รถปฏิกิริยาการแพ้โดยกระบวนการนี้แพทย์จะให้ยากับคุณในปริมาณน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดยาขึ้นจนกว่าคุณต่อคุณจะทนต่อยาขนาดนั้นได้นะคะในขณะที่จําเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าอาจจะมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุดนะคะกระบวนการนี้จะทําในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาการแบบ ฉุกเฉินขึ้นนะคะอาการแพ้อย่างรุนแรงเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะคะการการลดปฏิกิริยาการแพ้จะช่วยให้คุณ ในกรณีที่คุณรับประทานยาทุกวันนะคะหากคุณหยุดยาเช่นใช้ยาเคมีบําบัดที่ต้องมีการหยุดยาเป็นรอบๆและหากคุณต้องการมีรับยาในรอบถัดไปคุณจะต้องเริ่มกระบวนการลดปฏิกิริยาการแพ้ใหม่อีกค่ะพี่แมวค่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของการแยแพ้ยาเพนิซิลินซึ่งมีหลายๆคนค่ะน้องทีคุณผู้ฟังเขาแพ้ยาตัว น, นี้ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้ยาเพนิซิลินเนี่ยเป็นยาที่ถูกค้นพบโดยคุณหมอชาวสกอตแลนด์นะคะซึ่งปัจจุบันยาตัว น, นี้มีการใช้อย่างกว้างขวางเช่นในการรักษาอาการเจ็บ คอจากอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแม้ว่ายาเนี้ยจะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพแต่บางคนก็รู้สึกกลัวใ น, ในการที่จะใช้ยานี้เพราะว่ายาพินิสลินเนี้ยมีรายงานการแพ้พินิสลินมากถึง10ซ์ของผู้ป่วยโดยทั่วไปของผู้คนโดยทั่วไปนะคะเนื่องจากว่ายาปฏิชีวนะหรือายาฆ่าเชื้อที่มีการใช้บ่อยมากจึงทําให้เป็นยาที่มีการรายงานการแพ้ยามากที่สุดค่ะ ซึ่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนส่วนใหญ่ที่เคยยะเคยแพ้ยาพนิซิลินแบบแบบรุนแรงก็อาจจะหายต่อการแพ้ยายและก็สามารถรักษาด้วยยาพนิซิลินได้อย่างปลอดภัยนะคะการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาเพนิซิลินเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในบางโรคยาพนันธซิลินเป็นยาที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาแล้วก็ผู้ป่วยบางรายอาจจะเป็นต้องใช้ยาพนิซิลินเพราะว่าเขาในแพ้ยาการฆ่าเชื้อตัวอื่นๆก็ต้องก <c oughs> ลับมาใช้ยาพนันธซิลินนี่แหละคะ่ะ ซึ่งคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคหอบหืดเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าอาการที่แพ้เนี่ยเกิดขึ้นในวัยเด็กของผู้ป่วยรายนั้นแล้วก็ยังคงอยู่ในวัยผู้ใหญ่หรือไม่เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นประวัติทางการแพย์แล้วก็ใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วยรายนั้นว่าะจะใช้ยาพีนิสซินอยู่ต่อหรือเปล่านะคะทีนี้อาการแพ้นะคะอาการแพ้ยาพีนิสลินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะ พบอาการเหล่านี้ได้บ่อยก็คือเป็นลมพิษนะคะด้วยลมพิษอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีอาการคันซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสักหลายๆชั่วโมงแล้วเมื่อคือเมื่อเรากินยาพีนิสซิลินไปหลายชั่วโมงแล้วล่ะถึงจะเกิดอาการเป็นลมพิษหรือว่ามีอาการบวมใต้ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณใบหน้านะคะ มีเสียงหายใจที่น้องทีบอกคือมีเสียงหายใจวิบวิบใช่แล้วค่ะมีอาการไอหรือว่ามีหายใจลําบากนะคะซึ่งอาการแพ้ยาพนิสซินที่เกิดได้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้น้อยแต่รุนแรงนะคะและอาจจะเกิดได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับยาพีนิสซินไปแล้วนะคะซึ่งเราเรียก ว, ว่าอาการแพ้ชนิดรุนแรงซึ่งอาจจะเกาิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความไวต่ อ, อยาชนิดนี้เป็นอย่างมากส่วนอาการนี้นะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับยาแล้วก็จะสุดลงอย่างรวดเร็วได้เช่นเดียวกันนะคะจนบาง ทีนีถึงแก่ชีวิตได้ถ้าหากว่าไม่ได้ได ร, รับการ ร, กา ร, รักษ า, าอย่างท่วงทีใช่ัหยคะใช่ค่ะแล้วก็อาการของการแพ้ยาเนี่ยไม่ได้มีเพียงเฉพาะทางผิวหนังเท่านั้นแต่อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นลิ้นบวมคอบวมแน่น อ, อ, อก นะคะหรือว่ามีการหายใจลําบากเวียนศีรษะมีการคล้ายกับจะเป็นลมหรือว่าหมดสติซึ่งจะทําให้เกิดอาการช็อตแล้วก็หัวใจวายได้น่ากลัวทีเดียวค่ ะ, คะซึ่งอาการที่เกิดขึ้นที่รุนแรงนี้จําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนหรือว่าต้องรีบพาไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะโดยทางโรงพยาบาลเนี้อาจจะใช้ยา อ, อีพิอพิเนฟินนะคะใช่ไหมคะอพินเนฟินค่ะ ซึ่งทางโรงพยาบาลนี้ก็ต้องอาจจะต้องให้ผู้ป่วยรายนั้นๆนะคะซึ่งถ้าเกิดผู้ป่วยได้รับ <c oughs> เคยรับเคยใช้ยาตัวนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องพกพาออันนี้คือต้องรู้ตัวนะ <c oughs> ว่าเอนแพ้ยาเพนิซิลินแล้วก็ต้องพกยานี้เป็นประจำ <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้รับยาเพนิซิลินเข้าไปแล้วจะเกิดอาการต่างๆอมืมาถึงการทดสอบและการวินิจฉัยว่าการแพ้ยาเพนิซิลินเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะการทดสอบของแพทย์เขาก็จะดูว่าเรามีความปลอดภัยในการใช้ยาเพนิซิลินหรือไม่นอกจากซักประวัติเกี่ยวกับอาการแพ้ยาแพทย์ก็จะทําการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยรายนี้แพ้ยาหรือไม่การทดสอบนี้จะต้องทําในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะใช้เวลาทดสอบประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นภายหลังการทดสอบด้วยหากแพทย์ได้ทําการประเมินแล้วว่าเราเหมาะสมหรือว่าคุณเหมาะสมเนี่ยและมีความปลอดภัยเพียงพอ จะทำการทดสอบแพทย์จะทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยการหยดยาที่เจอจางลงบนผิวหนังแล้วใช้เข็มขนาดเล็กสกิดนะคะจากนั้นก็สังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยค่ะหากผลการทดสอบไม่เป็นผลนะคะก็คือได้ผลออกมาเป็นรบ แสดงว่าผู้ป่ยวยรายนี้มีโอกาสต่ําต่อการแพ้ยานะคะแบบเฉียบพันโดยแพทย์อาจจะทดลองใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยขนาดยาปกติอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ต่อยาเพนิซิลินจริงนะคะแต่คราวนี้ถ้าผลการทดสอบผิวหนังเป็นบวกล่ะผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเพนิซิลินและต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นแทนนะคะกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นได้นะคะก็จะถูกแนะนำนะคะให้ผู้ป่วยเนี่ย ถ้าไม่มีทางเลือกเนี่ยกรณีที่ผู้ป่วยอาจจะต้องทำกระบวนการเพื่อจะลดอาการปฏิกิริยาการแพ้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยา น, นี้ได้นะคะแล้วก็ทำภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น ทีนี้จะรักษาการแพ้ยาพนิซิลินได้อย่างไรนะคะในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาพนิซิลินแบบรุนแรงแน่นอนค่ะรักษาไม่ได้นะคะคุณฟังจะต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีนะคะแล้วก็จะต้องได้รับการฉีดยาที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งยาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของการรักษาอาการแพ้ที่รุนแรงโดยตัวยาจะช่วย ในเรื่องของการกระตุน้นการหายใจการเต้นของหัวใจแล้วก็ไปเพิ่มระดับความดันของเลือดค่ะแล้วในเกิดถ้าเกิดมีผื่นนะคะก็ต้องไปลดภาวะอาการบวมและภาวะผื่นตามร่างกายนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นอาการแพ้ที่รุนแรงทั้งสิน้นรวมถึงการรักษ า, า ร, ระดับความดันโลหิตแล้วก็ทําให้การหายใจนี้ได้กลับมาเป็นปกติด้วยแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยรายนั้นค่ะคุณผู้ฟังมีอาการแพ้ยาพันธุิรินที่แบบไม่รุนแรงนะคะก็อาจจะรักษาอาการแพ้นะคะอาจจะให้รับประทานหรือว่าฉีด รวมกับอาจจะใช้ยาสเตีรอยนะคะในการรับประทานหรือว่าฉีดร่วมด้วยนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแต่ทานที่ดีน้องทีคุณหมอคุณฟังก็ต้องรีบไปพบคุณหมอในราคาดีที่สุดทีนี้คํำถามที่พบบ่อยนะคะว่าใช้ระยะเวลานานเท่าไรก่อนที่จะมีการแพ้ยาจากที่เคยใช้นะคะซึ่งระยะเวลาก่อนเกิดอาการแพ้นเนี้ยจะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลบางคนอาจจะมีการทันทีในขณะที่บางคนอื่นๆเนี้ยอาจจะใช้ได้ยาไปหลายครั้งคืออาจจะไม่ได้เกิดจากการแพ้ยาครั้งแรกอาจจะเลย ไปสัก 3-4 ครั้งถึงจะเกิดอาการแพ้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยจะมีการอยู่ในระหว่าง 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่รับยาไปแล้วเว้นเสียแต่ว่าข่าวว่าคาุณจะมีอาการชนิดที่ล่าช้าซึ่งพบได้น้อยอาการของแพ้เนี่ยของการที่แพ้ในพบได้น้อยก็พวกที่มีไข้มีตุ่มพองที่ผิวหนังหรือมีอาการปวดตามข้อทีนี้อาการแพ้ยาแตกต่างจาก การแพ้แพยาอื่นไหมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คืออาการที่เกิดขึ้นนะคะจากการแพ้ยาเนี้ยสามารถเหมือนกับอาการแพ้อื่นๆอย่างเช่นบางคนเคยเป็นลมพิษก็แพ้ผื่นลมพิษหรือว่าผื่นผิวหนังก็อาจจะทําให้มีการหายใจเสียงวิ้วๆอย่างที่เราคุยกันไปหรือว่ามีอาการนหน้ามืดก็ได้ค่ะเวียนศีรษะก็ได้รวมถึงอาการชนิดที่รุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นหลายอาการร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะช่วยบอกว่าคุณมีนแนวโน้มเนี้ยอาจจะมีอาการแพ้ยามากกว่ามีเพียงอาการคลื่นไส้อาเจียนเพียงอย่างเดียว ะะทีนี้การรักษาแพ้ยาจะรักษาได้อย่างไรนะคะก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงยาที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการอาการแพ้นั้นแห ะ, ค, ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสังเกตเหรอว่าคุณแพ้ยาอะไรหากคุณรู้ว่าคุณมีการแพ้ยาชนิดไหนเนี่ยคุณหมอจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดนั้นคุณผู้ฟังก็จะต้องแจ้งคุณหมอแล้วก็เภสัชกรทุกครั้งนะคะว่าคุณได้แพ้ยาอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนที่ห้องพยาบาลห้องห้องจ่ายยาเขาจะถามเนี่ยเขาจะ จ่ายยาเขาจะถามว่าแพ<ผ>้<ผ>ยาอะไรไ ห, หรือเปล่าใช่แล้วค่ะแล้วก็เราต้องจดจำชื่อยานั้นให้ได้หรือว่ามีอาการอย่างไรโดยให้นโดยแนะนำว่าให้พกบัตรประจำตัวผู้ป่วยคือถ้าเกิดรลรแพ้ยาอะไรเนี่ยโรงพยาบาลจะ ออกบัตรให้เราแล้วให้เราพกทุกครั้งก็ยื่นกับคุณหมอกับเภสัชกรคือเวลาเราตรวจเนี่ยตรวจคุณหมอนั้นเราให้พกก็คือเอาบัตรยื่นให้คุณหมอ <ทะ S 1> เลยว่าเราในแพ้ยานี้พเพยาเขาจ่ายยามาให้เนี่ยจะได้ไม่จ่ายยาตัวที่เราแพ้นั่นเองหรือว่าถ้าเกิดคุณมีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นคุณจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยทันทีซึ่งการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการที่แพ้ <ทะ S 1> ถ้าเกิดอาการที่แพ้เกิดขึ้นชนิดรุนแรงจนถึงกับอาจจะเสียชีวิตใช่ไหมยาที่ใช้ก็จะต้องเป็นอันดับแรกก็คือยา อีพินิฟินค่ะ เอพิเนฟ рин ชนิดพกพาใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องพกติดตัวตออลอดเวลาสำหรับใครที่แพ้ยาบ่อยๆนะคะหรือว่าอย่างที่น้องทีบอกก็คือต้องรีบเรียกรถพยาบาลหนึ่งหานะคะอาการแพ้ยาเพนิซิลินมีอะไรบ้างอาการแพ้ยาเพนิซิลินมีความหลากหลายค่ะโดยอาการแตกต่างกันตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยถึงรุนแรงมากอย่างเช่นผื่นล้มพิษบวมโดยเฉพาะบริเวณใบหน้านะคะหายใจลําบากนะคะปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงล่ะจะพบได้น้อยแต่มีความรุนแรงถึงชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาการแย่ลงใน จนถึงแก่ชีวิตได้นะคะอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะก็คือหายใจลำบากแพ้ยานะคะแล้วก็แน่นหน้าอกบวมที่ริมฝีปากคอลิ้นใบหน้าเวียนศรีรษะแล้วก็หมดสติรวมถึงหน้ามืดแล้วก็ช็อกนะคะถ้ามีอาการรุนแรงอย่างที่ที่ฉันบอกเนี่ยให้รีบใช้ยาอีเพเนฟินนะคะแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ ถ้าหากว่าฉันแพ้ยาเพนิซิลินยาทางเลือกอื่นใช้แทนได้หรือไม่นะคะมียาอะไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นคําถามนะคะยาเพนิซิลินเนี่ยอาจจะเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ในปัจจุบันก็มียาทางเลือกอื่นที่สําหรับใช้ทดแทนได้แพทย์จะพิจารณานะคะยาทางเลือกที่เหมาะสมกับเราค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียนชนิดไหนความรุนแรงของการติดเชื้อเป็นอย่างไรรวมถึงอาการแพ้ที่เกิดขึ้นครั้งก่อนเป็นอย่างไรนะคะยาอะไรที่เป็นสาเหตุ ของการแพ้มากที่สุดเนี่ยคำถามนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะยาเพนิซิลินเนี่ยเป็นยาที่มีสาเหตุการแพ้มากที่สุดคะ่ะแต่ถ้ามีอาการแพ้เนี่ยคุณจะมีโอกาสมากที่จะแพ้ยาตัวอื่นในกลุ่มอะมอกซิลินด้วยแต่ก็ไม่เสมอไปค่ะยากันชักยาแอสไพรินยาไอบูโพรเฟนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายาเคมีบําบัดก็เป็นสาเหตุของการแพ้ยาที่พบบ่อยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแพ้ยาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตและอาจจะไม่เกิดปฏิกิริยาที่คล้ายกันอีกในอนาคต หรือว่าถ้าบางคนคุณฟังมีความรู้สึกว่าเคยแพ้ยาพนิซิลินในตอนเด็กอะแล้วเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยหายไหมพี่แมวยังแพ้ไหมยังแพ้ยแพอยู่หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือไม่จําเป็นค่ะว่าในความจริงแล้วเนี้ยคนถึงประมาณ 80% นะคะจะหายจากการแพร้ยาพนิซิลินหกักเขาลิลลี่ในการใช้ยานะั้นเป็นระยะเวลาประมาณสักสิปีนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือควรเข้ารับการทดสอบการแพร้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิแพ้ซะก่อนนะคะเพื่อประเมินว่าคุณยังแพ้พนิซิลินอยู่หรือเปล่าก็คือถ้าเกิดเคยใครเคยแพ้ ตอนเด็กๆเนอะตอนโตเนี่ยก็อาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าคุณนั้นหลีกเลี่ยนการใช้ยาพนิูซอลินมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะทีนี้หาทําการทดลองนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําการลดปฏิกิริยาการแพ้แล้วนะคะจะทําให้มีการกลับมาแพ้ยาอีกหรือเปล่าคือบางคนบอกว่าอ้าวถ้างั้นฉันหายแล้วล่ะฉันจะแพ้แล้วฉันจะกลับมาเป็นอีกได้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดยานั้นเป็นยาที่ต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ทําการลดปฏิกิริยาการแพ้เพียงหนึ่งครั้งนี่ดู คุณหมอโรคภูมิแพ้พกก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะาร่างกายเนี่ยจะยังคงมีปฏิกิริยาตอบสนองที่จะลดลงตลอดเวลาแต่ถ้ามีการหยุดยาไปแล้วมากกว่าสองวันก่อนการได้รับยาครั้งต่อไปร่างกายจะไม่สามารถจําการลดการตอบสนองได้แล้วค่ะจึงต้องมีการกระทํากระบวนการนี้ใหม่อีกครั้งอืทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอละค่ะว่า คุณต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะว่าจะต้องใช้ยาตนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ายังแพ้ยาตัวนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติคุณหมอก็จะไม่รู้เท่ากับตัวเราเองตัวของเราเองใช่ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการแพ้ยานะคะฟังจากเราสองคนแล้วก็จะรู้ว่าแพ้ยาเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันก็เสียชีวิตได้แล้วเราก็ต้องสังเกตตัวเรานะคะรวมถึงต้องพกบัตรด้วยถ้าเราแพ้ ย, ยาอะไรใช่ค่ ะ, ะ, คะแล้วก็คือ เอ๊บางทีเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พกยาแต่เราก็ต้องบอกเอพก พ, พกบัตรที่เราแพ้ยาก็ต้องบอกบุคคลใกล้ชิดหรือ บ, บุคคลในครอบครัวนะคะว่าเราเนี้ยแพ้ยาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราไม่ได้พกย า, าไม่ได้อยู่ในอาการที่พร้อมจะให้ใช้ใชข้อมูลนะคะญาติเราก็จะได้ทราบใช่ไหมคะพี่แมวเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทุกครั้งที่คุณหมอจะถามก็คือว่าเราแพ้ยาอะไร<ม>หรือเปล่ามีประวัติแพ้ยาอะไรไหมนะ ค, ะค่ะ ก็ <G ül> สังเกตตัวเองอก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะทั้งคนใกล้ชิดแล้วก็ตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะจะได้ไม <c oughs> ่เกิดปัญหาของการแพ้ยาเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> เอามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันทีรวร ด, ดียิ่งมีค่ะ <c oughs> ดิฉันนัดนาติสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทางลาย official@rmuttradio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 5921991วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เ, เธออยู่ทํากลางแสงดาวในคืนที่ว่างเปล่าเธอเป็นดวงตรีและแม้ว่าแสงไฟทำให้ดวงดาวรึกรีแต่ในราตรีมืดมนเธอเป็นดวงยามช้า